ย้อนกลับไปยันหนึ่งตอนพวดตอนตัวนี้มาครอบตเรีอย่างนี้ชายชากพิจารณ์ชนนี้มาทำไมไปไหนยังไรกัวหลินบอกไปว่าเราเป็นทหารรบไล่ขาดสิษมาเต t ียมข้าเหลวงทางนีกวธาถส่วนเพื่อเที่ยงนี่เขาต้องบอกชื่อแท้เราชื่อเพื่อเที่ยงทหานมีการตั้งเลือดบอกชัดเลยมานี่จะขอสายพันจนกว่าจร กลา น, นี้ฝ่ายกนินอยู่ในบ้านนะได้ยินเจ้าคนมาเคาะประตูเรียกบอกชื้นพวเยียงทหารเียงการต่งอย่างนี้แล้วเนี่ยไม่ต้องฟังยราข่ายรมเล้ากยดยันวิงไปฉวยนับวิ่งงที่ประตูบ้านทเหนชารจะราปเปเิดประตูบ้านได้ทีกนหินก็ร้องไปดูว่าไอห้รเรงการต่งมีอยังห น, งนีกันแล้วคนก็กระโจนทะลงไป l o o k e n เวลารุ่มขวัญหมิงก็ลาชาล า, าเจ้าของบ้านเนี่ยขึ้นขี่ม้ากลับไปควายชายชาราผู้ดีบ้านของตนกลายเป็นที่สังหารฐานชีวิตของนายทหาใหญ่ต่างบ้านต่างเมืองสุดสนคาราม็นความแค้นเนี่ย เร i ไม่คิดว่า outsourcing ที e เ e าอยู่กันจะทำให้เรา ตาไปั้งสองรอยคนนี่มาเต๋ก็ขับม้าเข้ามาดไรบกับอวนหินเลยทีดียวอนหิงเห็นมาเต๋งมีพวกผัวกเตี้ยงเลยเอ้วนหินก็โปรขับม้าเข้าสูรบกันกับมาเต๋งอ่ะอ้วนหิงมาเต๋งสู้รบกันไปมาพวกทหารของมาเตน๋นันก็โหร้องเข้าช่รบตีอ้นวนล้อมวนหิงเข้าไว้เป็นอันจบตอนนี้วนหิง อยู่ในวนล้อมของมาตงพร้อมด้วทหารประมาณสองรยนี่คืขฝ่ายเปียวเปาเปียวเปาที่เราปีนให้ออกมาติดตามหาคนหินดูน้องเนี่ยได้ยินเสียงโวโงก็ขับมาเร่งฐาขึ้นมาเห็นกังซรกันอยู่ไม่รู้ว่านครเจ้าใครใครบ ก, กันกับช่นเถอะก็บรบหักฟ้าเข้ามาเลยทีฝ่ายมาตงลอมคนหิไว้เห็นมีทัพหนุนมามาม า, ม า, ม า, มาตงก็ถอยหนี เตียวเปล่าหนุ่นก็รบติตามไปก็ไปพบกวนหยุ่นก็ถึงพากันไล่ติดตามมาจป็นเวลประมาณห้าสิเส้นมาเสงแบบนี้ไม่มีโกรธหรืออะไรแล้วมีแต่กลัวขวบมาหนียังไม่คิดชีวิตเลยกวนหญิงเตี้ยวเป่าไล่ติดตามไมา่ทันก็พากันกลับมาเตี้ยวเปล่ากวนหญิงก็เข้าไปฝ้าพระเจ้าเราอี คนหนุนก็ถวายศีรษะเวที้ยง่งและก็เราควานต้องฟังทุกประการพระเจ้าเราตีได้ฟังตอนนั้นก็ดีใจก็สำสน์กวนอวูน้องเราไม่เสียทีที่รักกันเมตตายแล้วก็ยังอุตส่าห์ตามมาช่วยคือคหนุนก็ได้ฟังหมดถึงที่ควอูหรอกจริงๆแล้วคนอ ผววเกียวไว้อะไม่งั้นตนเองก็ผัวเกียวไม่ทำเดกเหมือนกันแหละผัวเกียวจะต้อง ก็จัดจแบ่งทหารแล้วก็แยกไปตั้งค่ายอยู่ในตำบลกังจูในเวลากลางคืนวันนั้นทหารทั้งปวงเนี่ยร้องไห้อีอิงทั้งค่ายเลยบิฮองได้ยินฉะนั้นเห็นประหลาดนะก็ย่องไปฟังดูด้วย่าทหารจะพูดจาเป็นระการใดอย่างไรบ้างทหารพวกหนนะึ่งเน่ะพูดว่าเราทั้งเนี่ย เป็นทหารเมืองเกงกิว๋วก็เป็นเพราะไอ้ิบองมันทำกนอุบายมีหองและเปาสุยหยินเอามันก็เป็นไส้ศึกจีงเสียงเมืองเกงกิว๋วอีกทั้งกวัอูผู้เป็นนายเราก็ตายเราจึงต้องตกมาเป็นทหารเมืองกางตังบัดนี้พระเจ้าเราปียกทับมาเอง เมืองกลต่างจะย่อยยับเป็นมั่นคงเราชวนกันฆ่าไอ้เปาสูญหญิงและมีห้องสองคนมีเสียเะและก็ฟิสระมันไปถวายกับพระเจ้าเราปีจะมีเลยความชอบหรือมีถานเหล่านี้พูดถึงอย่างนี้ฐานเมืองเกงจิวเนี่ยถ้าเจว่าไปอีกทีทหารเมืองเกงจิวนี่เมื่อตอนเกงจิวเสียแต่ลิบบองทหารเหล่านี้นอยู่ใต้บังคับบัญชาของ อ้วนอูนแต่ก็ไม่ยอมอยู่ในบังคับอ้งอ้วนอูห น, น, นีกลับเข้าบ้านเข้าเมืองหมดเพราะห่วงบุตรภรรยารูเบียหนีแต่เหตุการณ์มันกลับกลายเป็นอย่างนี้สิแล้วเก่งจิ๋วจะถูกกองทัพเสฉวนย่างดีเข่าคนเหล่านี้ก็คิดอย่างนี้เอาจะกข่าเปลา่าทุยินข่าวดีห้องละบรรดาทหารกูได้ปรึก ษ, ษากันอย่างนี้แล้ว เราก็จริงว่าเราจะคอยดูถ้าได้ท่วงทีแล้วเราก็จะทำทีนี้ขั้นฝ่ายมี้องเองแหละมาแอบฟังได้ยินทหารพูดไป น, นี้ก็ตกใจกลับไปบอกแกเปาสุญิงว่าทหารทั้งตัวมันคิดพร้อมกันว่าจะฆ่าเราสองคนเนีและนี่เราจะไม่พากันตายเลยจำเราจะต้องคิดแก้ตัว ดิพเจ้าเราปียกทัพมาบัดนี้เพราะโกรธแทนพผัวเกี้ยงมาตุ่รอกมันนี่พัวเกี้ยงอะ ว่จาวัดังนี้เห็นว่าพระเจ้าราปีคงจะมีใจจะไม่เอาโทษเรานี่บิฮองปรึกษากับเปาสุยินอย่างนี้ข้างฝ่ายเปาสุญญยินได้ฟังแล้วก็จึงว่าไม่เห็นด้วยก็จึงว่าพระเจ้าราปีมันมีสติปัญญา ม, มากเกลือกล่อนเมื่อนว่าที่เราทำการเนี่ยทำการเพื่อแก่ตัว ที่สามารถถึงไปให้เพระเจ้าเราปีก็จะฆ่าเราเสียจะหาพ้นตายไหมเปล่าสินคัดข้างความคิดนี้มีห้องรถถึงว่ะผมจะไม่เป็นดังนั้นหรอรรญญรกอ ห, อร ห, ออาาหรือพระเจ้าเราปีนี่สติปัญญาดีกว่กลมหาคนดีมีฝีมือที่จะต้องรับผิดชอบสิ่งอยต่อไปฝ่ายอาดเต้าดูพระเจ้าเราปีนั่นน่ะว่าโดยแท้น่ะ เป็นหลานของข้าเจ้าเองนี่บิโตบิฮองมี่พวกเดียวกันบิบุยินนี่อัตเตานี่ก็เป็นหลานบิฮองอผูดอย่างนี้อาตาัตเก็เป็นหลานข้าพเจ้าแท้ๆข้่พเจเราเปีจะไม่คิดมันเขเห็นว่าคงจะไม่ตายแต่ถ้าจะยิ่งดียางนี้สิเห็นจะตายเป็นมั่นคงบ่าวสุยินฟังบิฮอง งเปาตุยินนี่เป็นพวกเราปีก่อนเท่านั้นแหละเบ้าตุยิฟนฟางีห้องชีย์แจงเดีย๋ยนี้ก็เห็นชอบด้วยสองคนก็คิดอานปลาเตรียมมาไวท้ทีเดียวครั้งเวลาเที่ยงคืนสงัดก็ล อ, อเข้าไปถึงที่นอนตัิศีษะมาตรงผูกับอานมาแล้วก็เพนขึ้นหลังมาล่อหนีไปยังกองทัพเธอเจ้าจเล่าปีเลยทีเดียว สองมาอย่างนี้ลักษณะอย่างนี้นี่ก็จับตัวได้ก็ถามว่าตัวสองคนนี้มาแต่ไหนอ่ะบีฮองเปาถุยินก็จริงว่าแต่เราเนี่ยเป็นพวกเดียวกันกับมาโตมแล ต, ต่เราได้ตับศีรษะมาโตงมาจะถวาดพระเจ้าราบีทหานรของพระเจ้าราบีก็คุมตัวดีฮองเปาถุญินเข้าไปอยู่นอกประตูก่อนแล้วเข้าไปพุดกับพระเจ้าราบี สาบว่าคนต้องสอนหนีตัดศีสามารถตรงมาให้พระเจ้าเราปีได้ฟังก็เอาตัวบีหองและเปล่าสุยินเข้ามาบีหองเปล่าสุยินเข้าไปถึงนอวานที่สามารถตรงลงแล้วก็กราบโยงแล้วก็ร้องไห้แล้วก็ทุ่นเนี้อกวานตามที่คิดกันไว้นั่นผประกันะ่ตามอุบายของตนที่จะตัวรอดนี่พระเจ้าเราปีได้ฟังก็กระทีเดียวก็จริว้วมา กูยกออกจากมึงเสฉวนมาช้านานแล้วมึงจะไป น, นุ่งหัวอยู่ที่ไหนถึงไม่มาหากูนี่มึงเห็นจะสู้กูไม่ได้จะแพ้กูอยู่แล้วจิ้งแป้งตัดิษะมาเตมาให้กูไม่จะเลี้ยงมึงไว้ให้คงชีวิตก็เหมือนกูไม่รักกูอูน้องกูกูจะหาไปไว้ที่ไหนได้นี่พระเจ้ารอปีว่าแล้วก็สร้างอวนหิ ตั้งเครื่องบูชาจะเส้นกวนอูารกวนิษจาัด ก, การตั้งเครื่องบูชาเสร็จพร้อมแล้วพระเจ้ารอปีก็ลงจากเก้าอี้ไปหยิบทีศสามาตรงขึ้นชูเป็นการเส้นให้แก่กวนอูแล้วก็สั่งกวนหินให้ไปเปลื้อนเสือ้อผ้าไอ้บี้องเปล่าฝุญหญหินออกเอาตัวมามัดหนอกไว้หน้าเครื่องบูชา และเจ้าลาบปีก็ส่งนาเชื่อเนื้อมีหองเปาสู ญ, ญิ่นเส้นให้แกกรุมอูจนถึงที่สุดกตัดศีรษะคนทั้งสองคือมีหอ ง, ปญญงปเป า, าสูญิ่นผู้ทรยศอยู่และให้ฐานลากศไปทิ้งเสียฝ่ายเตียวเปาเตียวเปาลูเตีย ว, วหุย ดังนั้นคือเห็นว่าโกนหินสา ม, มารถแก้แค้นล้างแค้นได้กับกกนอูผู้พ่อได้แล้วหรือว่าโกนอูได้รับการแก้แค้นแล้วเปียวเป้าก็คิดถึงมีดาขึ้นมาอก็ขับไปกราบพระเจ้าราบปีแล้วก็ร้องไห้แล้วก็พูดว่าเขาทําร้ายแก่กกนอูนั้นโวนหินผู้พ่มมอก็ได้แก้แค้นทดแทนแล้ว แต่ไอ้คนที่ทาร้ายบิดาข้าพเจ้ายังไม่ได้แก้แค้นทดแทนเลยพระเจ้าเราไปได้ฟันก็ยินว่แต่เปี้ยวเปล่าอะ่ะเปรียวเปล่เจ้าจะได้คิดสมัยอันใดไปเลยที่าราตั้งใจมาทางนี้ก็หวังจะล้างเมืองกลางตงแก้แค้ในให้ก่บิดาเจ้าด้วยได้เมินตกลางตังแล้วเราจะสสบเอาตัวไอ้สองคน ทำรายบิดาเจ้ามัเส้นเวเหมือนกันเย็กป่าวเด็กฟานก็มีความยินดีปราบพระเจ้าเราปีแลวก็ถอยออกไปในคะรั้งนี้แต่เมืพระเจ้าเราปีนั้นมีชัยชนะเมื่อพระเจ้าเราปีมีชัยชนะในครั้งนั้นอิทธิศักดิ์ก็ลืมเลือน เ, เออกระโรไปทีเดียวฝ่ายทหารเมืกลางต่าง น, นั้นสะดุ้ง none yeah. y e a เตก็อยู่ในมือเรากควรที่เราจะจับฮองเกียงเตียวตัดสองคนนี่แหละพร้อมกับสซงสืา่าเตียววิออกไป ไว้แต่มืนู้นเมือเก่งเกี่วคืนให้ คุมคนและสิ่งของทั้งนี้ไปถวายพระเจ้าราบีเพียนติงก็คุคนโทษทั้งสองไปตามรับสั่งของพระเจ้าซุ่มกวนฝ่ายพระเจ้าราบีอ่าแกแค่แกแกวนยูแล้ว แดงกองทัพใช้เข้ามาไปเมืองกัาตังๆละยังไม่ทาสาเร็จจักทัพยังไม่ทำเสร็จเรียบราะทหารก็เข้ามาทูลว่าบัณฑิตชาวเมืองกังๆได้ถือนังสือและคนโทษขามาถวายพระองค์พระเจ้าราปีก็ดีใจนะัดตบมือทีเดียวและก็ร้องว่าบุญของเราแล้วเทพยดาจึงชักนำให้เราแก้แค้นให้แก่น้องรกสามัญทั้งสองของเราได้สาเร็จในครั้งนี้แลรเจ้ก็สั่งเปียวเปา ให้แต่งเครื่องบูชาที่จะเส้นเตียวหุยแล้วก็สร้างให้เร่งยกหีเข้ามาหีดไม้หอมที่บรรจุซีสาเตียวหุยทหารก็ยกหีบไม้หอมที่บรรจุศีสาเตียวหุยเข้ามาแล้วก็เอากรงคนโทษเขามาวางต่อหน้าที่นั่งพระเจ้ารอปีก็ลงจากเก้าอีเปิดหีบยกเอาศีศาเตียวหุยขึ้นวางบนแท่นที่บูชา ก็วันน้าเตียวหนศะสดชื่นอยู่เห ม, มืนเม่ยังเป็นพระเจ้าราปีน่ะคิดสงสารนะร้องไห้รักเตียวหุเป็นอันมากฝ่ายเตียวเปาขนิษฐ์ศีรษะเตียวหุยผู้ดีดาก็ร้องไห้ความแค่เหนือที่จะสะ ก, กใจไม่ทันที่พระเจ้ารอปีจะสั่งแล้วเปรียวเปาชัดดาบแมงวิ่งเขาไปแขกโกรงขัง ทวิสาหอมเตียงเตียวตาลาออมาจากกรงแล้วก็ฟันวยดาแล้วก็เชื่อดนึ้อโชว์ขึ้นเซนเตียวหรือผู้วิดาข้าพเจ้าเราปีเลยยังแข้งเคืองมากนะก็ไม่ได้ดูหนังสือละไม่ได้ดูหนังสือนั่นเลยก็จริงว่าเราจะรบเอาเมืองต่างๆที่ได้ฝ่ายมาเลี้ยงที่บุษาก็ทูนว่าพวกคนร้าย ซึงทำร้ายแก่กวนอูเตียวหวีก็ได้แก่แค้นทดแทนสิ้นแล้วบัดนี้ฝ่ายซุนกวนก็เพียงเปงถือเอาหนังสือและเอาดอกไม้เงินดอกไม้ทองมาถวายจะขอคืนนางซุนหูยหญิงกับเมืองเก่งจิ๋วให้จะขอเป็นราชมียรีด้วยกันจะได้ร่วมกำลังกันรบกำจัดโจผีศัตรูแะสมบัตินั้นนะเพราะจะโปรประการใด ทวงขึ้นตรงนี้เพลนโทสะกัมมังกล้าพเจ้าเราปีน่ะกัมมังโกรธแค้นอยู่เป็นที่ยิ่งนักนี่ยก็จริงว่าเราพยายามกันอยู่กับสุ่มกวนได้ออกปาให้สัด้วยกับคนอุเตวิ๋น้องเราแล้วบัดนี้คนอุเตวิ๋น้องเราก็ตายแล้วแล้วเราจะกลับเป็นไมตรีดีกับสุ่มกวนนั้นจะมีเสวยความสับไปเลยเราไม่ฟังแล้ว จะรบเอามงินกลางตังให้ได้แล้วจึงจะยกไปรบเอาเงินโจผีนี่เพเจ้าเราปิดสร้างดังนี้เลยดุเพลินแคมพลโะนโพสากหนักมากยิ่งนะแล้วก็สั่งให้เอาตัวผู้ถือหนังสือเนี่ยไปฆ่าเสเลยนี่ให้เอาตัวเทียเป่งนี่ไปฆ่าเสียบรรดาขุนนางที่ปรึกษาก็ฎูลขอชีวิตเทียเป่งผู้ถือหนังสือไว้ พระเจ้าราบีก็ปลให้ครั้งปลุแล้วก็ปล่อยเพียเปงกลับไปเพียเปงเป็นผ้สันติมาแต่เกือบจะฟื้ชีวิตไปได้ง่ายง่ายด้วยพลโทรสาของพระเจ้าราบีเมื่อเด้กกลับไปกลางตังเพียเปงก็โูรพระเจ้าสุนกวนว่าพระเจ้าราบีไม่ฟังจะรบเอาเมืการตังให้ได้ทายเดียวและจทีจะยก ไปปีเอาเมงโจผีเพราะความที่รู้มาเห็นมาทั้งฟิลทั้งวปวงนะเทียริงก็ทูนแ่พระเจ้าขุนกวนให้ได้ทรงสราบทุกประการฝ่ายพระเจ้าสุนกวน ไ, ได้ฟังความ มาตล อ, อดเลยอและบัดนี้ยอมแพ้ระเบิดทุกประการพระเจ้ารอปีก็ไม่ยอมรับการยอมแพ้นั้นไม่ยอมรับการอ่อนน้อม น, นั้นด้วยแต่แล้วก็บตามปีเตียเป็งกราบลงรายงานให้พรากัพระเจ้ารอปีมีความแค้นพระไทยในสุ่มกวนอยู่มากด้วยนี่ยพระเจ้าสุ่มกวนเนี่ยอวนสังเลยทีเดียวพูดอันใดไม่ออกเลย ก, กังเกจพิจารษาคุณพรจึงทูนว่ามีคนดีอยู่ในเมืองเราเ น, น, นี่ยคนหนเป็นไรอ่ะท่านจีนีเอามาใช้ทำราชการกังเจกจพูดอย่างนี้พระเจ้ถึงคุณก็ถามว่าคนไหนเรากังเจจกก็ทูลว่าล็อกซุนล็อกซุ่นอยู่เมืเกงจิว ขบเจ๋อเห็นความคิดสติปัญญาเนี่ยราวกับกิวยี่และเมื่อครั้งที่รีมองไปตีเมืองเกงกิวได้นั้นนะ่ะก็ได้ลบสุ่มคนเนี้ช่วยคิดอ่านให้กีนได้เมืองเกงกิวซึ่นท่านควรที่จะได้ให้เอาลบซุ่มนี้มาทําประยการเถอะถ้าไม่ชนะพระเจ้าเราปีแล้วให้เอาตัวขบเจ้านี้ไปเป็นโทษ ยอมอ่อนน้อมต่อควรอุทุกประการวางอุบายจนควรอุตายใจอันเป็นเหตุให้ลิบบองเข้ายึดมืเอเก่งจิ๋วได้สําเร็จนี่ด้วยปัญญาดังกล่าวแล้วแต่ตอนที่ผ่านมานุษย์ว่าความจริงการเข้าเก่งจิ๋วได้ยึดเก่งจิ๋วได้สําเร็จนี้ต้องกล่าวว่าลบสิ้นผู้นี้นี่เป็นบุคคลที่ไม่มีชื่อเสียง พระเจ้ารอปีนั้นไม่เห็นจะไม่ได้เกี่ยวๆว่าอย่างนี้กอยงปิปุษาความนึงก็ถูกห ล, ลกักล็อกซ่นี้เป็นพลเรือนอายุก็ยังอ่อนอยู่ไม่เคยทำการที่ใหญ่จะมาตั้งเป็นนายทัพ บ, บังคับบัญชาขุนนานและฐานทั้งปวงนั้นเห็นจะมิฟังอืมเป่าจิ คนนึงเปาจิตพูดแนะนำให้ยอมแพ้แต่ไม่เป็นผมแล้วก็ตามเถอะบัดนี้เปาจิตก็ถือว่าลกสุ น, นี้เคยเป็นผู้น้อยถึงจะดีจริงจะทำได้ก็แต่เป็นแค่เพียงกรมการหนึ่งไม่น้อยเท่านั้นจะมาเป็นนายทัพ บ, บังคับบัญชาทหารทั้งปวงนั้นไม่ได้มีใครต่อใครก็ข้านกันทั้งนั้นเลย เดี่ยวเดวกาะขานโกยงกาะขานเป่าจิดกาะขานกาเจกคู่แม่นํามคืนนก็ถึงกับร้องขึ้นว่าถ้าไม่เอาลกซุ้มเข้ามาทำํำราชการครั้งนี้เห็นเมืองกังตังจะ ต, ต้องเสียเป็นมั่นคงถ้าท่านทั้งตัวมากแกล้งว่าลกซุ้มไม่ดีตัวข้าพเจ้าและพร้อมที่มุดภรรยาแต่ขอรับประกัน ลกซึ่งเป็นนายทัพออกไปรบแพ้พระเจ้าเหล่าปีเข้ามาให้เอาข้าพเจ้าและพร้อมด้วยมุพระยาข้าพเจ้าไปตัดศีรษะเสอ็จมีเป้าจิตผู้มีความจริงใจอยู่พระเจ้าสุกุนได้ฟังนั้นก็จริงว่าท่านทั้ทปวงเยือดเถียงกันเลยลกซึ่งคนนี้ข้าพเจ้าชอบใจเห็นดีอยู่ด้วยแล้ว ทุกตัดฝีมพระไทยได้โดยพระองค์เองอะไรให้ประการมาทีเดียวอ่ะมีปฏิปัญญามีความแหวมคมเฉียดขาดในพระองค์เองอยู่ทีเดียวอะตัดฝีปัญหามาอย่างนี้เลยข้าพเจ้าชอบใจเห็นดีอยู่แล้วแล้วก็สั่งให้ไปรับสึ่งเกวยมาแต่เมืงเกงจิ๋วครั้นมาถึงเอากบพาตัวเข้ามาฝ้าพระเจ้าสิ่งอ้วนลกสิ่งก็กระชั้ํานับแล้วก็นิ่งอยู่ พระเจ้สุของก็ปราศัยกับลกสุนวะท่านมีสติปัญญาอยู่แต่เราลีมไปนี่หากว่าเด็กกเจ็กมาว่ากล่าวขึ้นเราจรึงรำรึกได้ให้เชิญท่านมาทางนี้หวังแค่ช่วยทะลุบำรุงบ้านเมืองเด็กพระเจ้าเล่าปียกทัพมาทําย่ำยีขอเชิญท่านเป็นนายทัพ บ, บังคับทหารทั้งปวง เห็นแตสู้พระเจ้าเราปีนได้ลกสุนผู้น้อยก็จริงว่าคุณนางผู้ใหญ่มีเมืองกลางตงก็มีมากแต่ก็ล้นข้าหลวงเดิมข้าพเจ้าอายุก็น้อยสติปัญญาก็น้อยเห็นจะว่ากล่าวขัดสนพระเจ้าสิน้นกวนก็จริงว่าถัดกลัวว่าคุณนางนายทัพนายกองทัพปูจะมิฟังบังคับบัญชา เราเทกระบีอาญาสิทธิ์แต่ท่านเล่นพระผู้ได้มิฟังบังคับบัญชาแล้วให้ท่านตัดศีรษะเสียมีมอกอาญาสิทธิ์ให้เรชนีลูกสุ่มก็จริงว่าเมื่อท่านจะโปรดเลี้ยงข้าพเจ้จริงดังนั้นแล้วพรุ่งนี้ขอให้ปัญหาคุณนางมาพร้อมกันแล้วจีวัตรทางกระบีให้ตอนหน้าขุณนางทั้งปวงเถิด สุโรมอันดับแรกนี่ก็ลองคิดดูพอเมื่อจะมอบก็มอบให้ถูกให้ควรมอบต่อหน้ากันเลยฝ่ายกรรมเจ็กก็ดี่ว่าพระเณนีจะตั้งนายพัพผู้ใหญ่ให้บังคับบัญชากิจราชการทั้งปวงก็ย่อมจะต้องเชิญให้ขึ้นมาณที่สมควรแล้วให้อายาสิทธ์มอบตราสำหรับตัวให้คนทั้งปวงเห็นน้จิงจะชอบ ีการเจตกาวข้นเจนเนี้พระเจ้าสุนทรได้ฟังก็เห็นชอบด้วยละครันเวลาค่ำก็สั่งให้จัดแจงที่พางก็บรรจัตั้งคุนนางเป็นนทัพนกองแล้วครัรุ่งเช้าก็ให้ลกสุนแดีพร้อมโดยคุนนางนายทหารนายทัพนายกองทั้งปวงเข้ามาพร้อมกันแล้วพระเจ้าสงควรก็เชิญลกสุนให้ขึ้นนั่งนัที่ นายทัพผู้ใหญ่แล้วให้อัยาสิทหมอบกระบี่และตราเครื่องอุปโภคบริโภคทั้งปวงสำหรับนายทัพผู้ใหญ่ต่อหน้าบรรดาขุนนางทั้งปวงให้ลกสุ่นว่าราชการเมืองทั้งสิ้นถ้าผู้ใดขัดขวางนิทำตามก็ให้ฆ่าเพเพิด อำนาจห้ดังนี้เลยฝ่ายลกสุ่งรับอาญาติทธิ์ผวาบังคมแล้วก็ถือกระบี่เดินออกมาแล้วก็สั่งทีเดียวเริ่มสั่งเลยสั่งชีเซ่งเตงหองสองฐานใหญ่ซ้ายขวาให้จัดทหารทั้งทัพ บ, บกทัพเรือให้พร้อมเราจะยกไปเวลานี้นชีเซ่งเตงหองนี่ ก็ไปจัดแจงทหารพร้อมแล้วก็เข้ามารายงานกับลกซุ่นลกซุ่นก็ออกไปฝ่ายฮันถงจีนไทซึ่งรักษาข่ายอยู่นั้นอรูว่าพระเจ้าสุงควรตั้งลกซุ่นเป็นนายรัพใหญ่ออกมาหนิก็คิว่าขุนนางในเมืองกลางต่างสิ้นแล้วหรือจึงตั้งลกซุ่นออมาเป็นนายทัพนี่จะไม่เสียราชการไปหรือ ทสองคนที่ถูกก็ยังไม่ทันจบอะก็พอนี้ลกสึ่มยกมาถึงแบะมียกมาถึงข่ายตึ่งตังอ่าปราะชิกกับคณะศึกคือฝ่ายเล่าปีอยู่ว่าออกจากกันตังมาถึงละโลกสึ่มมาถึงโลกสุ่มดูกริยาอาการฮันตงจีงไถว่านายฐานุพพวงในข่ายเนี่ยไม่สู้จะยำเกรงตมก็รู้ว่าก็สั่งเรียกหาหันตงจีายและนายทัพนกองทั้งหลายทั้งปวงมาปรึกษาราชการ และโลกสุ่นนั้นก็จินถือกระบี่ยืนขึ้นแล้วก็ร้องประกาศว่าพระเจ้าสุ่นกวนหมอบอาญาศิษ์และกระบี่ให้แกเรามาบังคับบัญชารมนายทัพนายกองนายฐานทั้งปวงผู้ใดกระทำดีก็ใช้ความช็อบผู้ใดกระทำผิดก็ใช่ทำโทษ ถ้าเห็นประการใดอย่างไรก็ให้ทักท้วงเถิดเราไม่ถือช่วยตักเตือนกับมีโกสซึนคนอายุน้อยแม้แต่การพูดจาในตอนนี้ก็พูดน้อยตรงตามเหตุผมเพียงพอแล้วอาหารทั้งปวก็หนึ่งอยู่กิวไทยก็ถือเป็นอาหารเก่า พระภาคกับพระเจ้าเราปีแล้วและพ่าแพ้นี่แหละอยู่ในที่เนี้ยก็เป็นบุคคลสำคัญที่ไม่เชื่อถือก็อจริงพวกแกลกซุ่นหะกซุ่นหัวน์หลานพระเจ้าสุ่นอวนตั้งอยู่ใ น, นเมืองอีเหลิงบางทีกองทัพพระเจ้าเราปีก็ล้อมเมืองอีเด็ิงไว้คนในเมืองก็อดอาหารข้างนอกเมืองวันนี้ได้มีผู้ใดออกไปช่วย ขอเชิญพ่านผูน้มีสติปัญญาไปช่วยรบแก้ไขเอาสุนหวนออกมาเถิดเห็นจะพลธุระเจ้าหมายเราลบซุ่มก็จริงว่าสุนหวนเป็นคนมีน้ำใจอารีต่อทหารและพลเมืองก็รักมากและฐานก็ดีๆมีอยู่มากอาหารซึ่งจะเลี้ยงไ พ, พรพลเมืองก็ยังไม่ขาดเสริเห็นว่าเขา จะไม่เป็นไรเราตีทัพพระเจ้าเราปีแตกแล้วซุ่นหวนก็จะพ้นจากที่ร้อมเองมิพัฒต้องไปช่วยนี่ลบขึนว่าอย่างนี้จิ้วท่ายและฐานแ้่โบได้ฟังลบสุ้นว่าดังนั้นบางก็พากันยิ้มอยู่ในใจ รว่าลกซุ่มก็คงจะใช้อายาสิกเป็นแต่สติปัญญาก็อย่างนั้นแหละทุกคนแต่จะยินอยู่ในใจกคะนั้นแล้วก็ลากลับออกไปลกสุ่ลกซุเขาเครียกว่าเด็กเล็กเด็ ก, ก, กน้อยนะครับ อายุไม่มากอะไรนะยังไรก็ตามเราผ่านมาดวงก็ยังไม่กล้าที่จะขัดขืนหรือทำอะไรให้เป็นที่ผพดพลาดทีนี้เมื่อการประชุมแล้วหันตรงก็พผู้กับจีบท้ายว่าพระเจ้าสุนกลัวเน่ลบซุ่มมาเป็นนายทับนายกองเนี่ยเห็นจะเสียเงิงกัน ตังแต่ข่าศึกเป็นมั่นคนงหิุดท่ายก็จริงวะข้าพเจ้าฟังมืความคิดติลกสุ่มพูดวันเนี้ยเห็นว่ามีแต่จะเสียราช ก, การจริงอย่างท่านว่าทุกคนไม่มีใครศรัทธาลกสุ่มเลยอะฝ่ายลกสุ่มแหละครั้งรุ่งเชา้าพระเดชานัยทัพนมยกอมาพร้อมกันแล้วก็สั่งว่าถ้าพระเจ้าเราปี ยกมารบอย่าให้ออกรบนี่นี่คือคําสั่งของแม่ทัพฟังแล้วมันกระไรอยู่นะถ้าพระเจ้ารอปียกมารบอย่าให้ออกรบให้ตั้งมันรักษาค่ายนิ่งอยู่นี่คือคําสั่งของแม่ทัพฝ่ายนายทัพนกองทั้งตัวนี่ฉันเป็นทหารกล้าเป็นทหารเก่าเป็นาานายทหารใหญ่ รบกันมาทุกยุทธภูมิด้ฟังลกสิ่งเป็นทต่จกล่าวตอไปทนีว่าแม้ทัพผิดปากยังไม่ทันสิ้นกลิ่นน้ำนมสั่งดังนั้นก็ชวนกันหัวเราะทำเมินไม่ได้เอาใจใส่เ่ะในที่สุดก็ล้าออกไปหาทำตามสั่งไหมคือทุกคนเรียกว่าพร้อมพร้อมที่จะขัดถืนคำสั่งแหละ ก็รู้าฐานเหล่านี้ไม่ได้รักษาไายมั่นคงไมรได้รักษาไายคูให้เรียรบร้อยมั่นคงตามที่ตนสั่งเลยและนายท่าใน า, ายกองทังวงก็ไม่ย้ำเกรงด้วยลูกสิ่งก็รู้รุ่งเช้าก็เลหานายท่าใน า, ายกองทหารทัพวงเหล่านี้มาประชุมพร้อมกันดิแล้วก็จริงว่าเราสั่งให้ท่านทั้งปวงทำไายคู รักษาตัวให้มั่นคงแล้วอย่าให้ออกรบเหตุใดจิงละเมินเสียไม่ทําตามรัมสเราสาั่งคือนี่ได้ระแวดระวังระวาย ร, รักษา่ายครูประตูออรรถไปเก่งแข็งไปอย่างไดเลยหันโตงนายทหารผู้ใหญ่ก็จินว่าข้าพเจ้าเป็นชาติทหารติดตามพระเจ้าสิง่งกวนไปรบทุกแ่งทุกตำบลไม่กลัวตายและบัดนี้ พระเจ้าขุนวงตั้งท่านออกมาเป็นมายทัพให้รบกับพระเจ้าเราปีโดยท่านมักสั่งให้ตั้งรักษาค่ายมันอยู่อย่าให้ออกรบบังนี้นั้นนะท่านจะเอาเทพ ย, ายดามาช่วยกระ น, นั้นหรือนีท่านตงเอิญ ม, มีเสียงคัดค้านละบรรดาทหารทั้งพวงประเภททหารกล้าตายก็ไม่ว่าก็ร้องขึ้นร้องกันว่า ฮันตนว่าชอบแล้วถูกแล้วเราจะขอออกรบไม่กลัวตายคืไม่กลัวตายแต่ว่าบ้านเมืองจะวิบัติเป็นประการใดอย่างไรไม่รู้ด้วยลกซึ่งได้ยินฮันตงได้ถานหลวว่านั้นก็โ ก, กรธชัดกรมีอาญาติดออกยืนขึ้นแล้วก็ร้องละ่ะถึงตัวเรายังเด็กอยู่ก็ดีพระเจ้าขึ้นกลัวพระเจ้าทานอาญาติดเราเราเป็นแม่ทัพ บ, บังคับคนหนึ่งพวกถ้าผูดได้รเมิดคําสั่ง นิฟังเราบังคับเราจะตัดศิษธสิทธิกระบีเรื่องนี้ทหารทั้งปวงเห็นลกซึ่นดูว่าจะใช้อายาศิ์เป็นอยู่ไม่นช่แบทุกคนก็โกรธแต่ก็เป็นโกรธที่ต้องเก็บเข้าไว้ในใจไม่รู้จะว่าประการใดเหมือนกันจะทำอะไรออกไปประการหนึ่งประการใดนี่ ลกซุ่มลกซุ่มที่ประกาศตัวเองว่าถึงเราเด็กก็ดีก็คงจะใช้กระ บ, บีอาญาสิกนิเป็นฐานทั้งตองเหล่านี้ก็ยันจะไม่พูดแล้วก็ชวนกันออกไปทำข่ขยคูรักษา่ายมั่นคงตามสั่งเหมือนกันเรี่ยวรก็ตามก็ต้องยอมกระทำตามคำสั่ง พระเจ้าเหล่าปีกองทัพเพลิงแค้นข้ามเส้ น, นวิญญาณเตียววีแล้วข่าหของแกณเดียวตัดแล้วเตียวเปล่าเป็นผู้ขาแป่เพลิงแค้มันหาด้วยสมุนหหใหม่สร้างทหารให้ตั้งค่ายรายกันลงไปตั้งแต่ตำบลอูอเติงไปจนถึงตำบลชวนเขา เป็นร ะ, ระยะทางยาวเนี่ยถึงพันเส้นเป็นระยะทางยาวถึง 1,000 เส้นเลยทีเดียวนี่อ่คิดดูเถอะจะเป็นระยะทางยาวตั้งเท่าไรผวาชนนับไปแล้วเนี่ยนะมันตั้ง4ี่0ี่มตรนเมตรยครับ ระยะทางยาวตั้ง 40,000 เมตร40กิโลเมตรความยาวของค่ายเขานี่ก็ลองนึกกันเอาว่าต่างค่ายไปยาวเหยียดแค่ไหปนปดนค่ายทั้งหมด40ค่ายก็ห่างกันค่ายละประมาณหนึ่งกิโลเมตรแหละทีนี้ข้างฝ่ายฐานสอดแนวก็เข้ามาทุนพระเจ้าเราปีละในความประ ก, การใบข่าวสึก ประการใดอย่างไรที่ได้มานี่กระตอมมากรามาทูลนะประกองสอนในว่าวเนี่ยก็ข่ามาทูลพระเจ้ า, าปีอับนี้พระเจ้าซุ่มป่วนเนี่ยตั้งเลยลกซึ่มมาเป็นนายทัพลกซึ่มก็บังคับบัญชาทหารให้รักษาค่ายมั่นอยู่นิให้ออกรบนี่คือรายงานที่พระเจ้าเราปีได้ทงสาราบ พอเจเราปีกฟังรายงานอย่างนี้เราก็ก็สงสัยคิดสงสัยเลยทีเดียวก็ถามว่าลกซุ่มเนี่ยอยู่ที่ไหนเป็นคนอย่างไรใครรู้จักบ้างฝ่ายมาเลียงที่ปรึกษาคนหนึงก็ทูลว่าล็อกซุ่มคนนี้อยู่เมืองเก่งจิว๋วเป็นพลเรียนผู้น้อยอายุเด็กก็จริงแต่เขาได้เรียนวิชาความรู้มาก มีสติปัญญาราวกับจิวยี่ที่เหมือนเก่งจิ๋วเสียก็เพราะความคิดของไอ้คนนี้นี่มาเรียนนี่รู้ลึกสิ่งเลยจึงเป็นความจริงเพระเจ้ารอปีนี้ก็โกรธเลยทีเดียวว่าความคิดไอ้คนนี้มันฆ่าน้องเราเสียดีแล้วบุญของเราที่จะได้แก้แค้น เราจะได้ยกทัพเข้าตีเวลาวันนี้มาเรียนก็จึงว่าลบสุ่มคนนี้ข้าพเจ้าเห็นว่ามีสติปัญญาเนี่ยกว่าจริยี่เสียอีกอย่าเพิ่งให้เข้ารบเลยขอดําริ์ดูให้จงดีก่อนมาเรียนกล่าวท้วงกล่าวปิงกล่าวให้สติขึ้นอย่างนั้นเนี่ย พระเจ้าจเราปีก็โปรกก็จิงว่าเรารบสึกมันหนักหนาเป็นลุงมจนแก่กรณีแล้วจะเปลีนอะไรกับบลกสิ่งไอเด็กวานินี่เราปีว่าคือไม่ฟังแล้วใครจะทักทวงทักทานห้ามบามประการใดอย่างไรนี่ไม่ฟังแล้วแล้วก็อย่าว่าใครจะทักท้วงทักทานประการใดอย่างไรเลยบุคคลที่เราปีต้องยอม เป็นหนักเป็นหนาติดสุดจนถึงกับยอมไปยืนเฝ้าอยู่ที่ปลายเท้าตั้งแต่เช้าจนบ่ายคือคงเบ่งเองพก็คงเบ่งรู้ตัวดีว่าไม่อาจจะยับยับย้งโทรสะเล่าปีได้เราเห็นว่าก่อนออกเดินทางคงเบ่งแทกจะเรียกเลยว่าไม่ได้มีบทบาทในการทัดทานแต่ประการใดหรอกก็โดยรู้อยู่แล้วอย่างไรก็ทัดทานไม่ได้ โะดีนใดของใครอย่างไรก็ตามเถอะมันไม่รุมแรงเท่ากับโสะของผู้ที่มีอำนาจหรอกตอนนี้เราปีก็ไม่เคยเราปีคนเดิมซะแล้วเป็นเพื่อเจ้าเราปีเจ้าหังตงแล้วอ่ะมีเก่งอันใดกับลกสุนไอเด็กวานนี้ว่าแล้วก็สั่งทำให้เรงยกทับไปทีเดียวขั ฝ่ uh, า, านันตงอยู่ไทาา้ทหารมึงกางตังซึ่งรักษาข่ายรั่วพร ะ, ะเจ้าราบียกทัพมาก็ใช้ให้ทหารไปบอกแกลุกซึ่งลุกซึ่งก็ตกใจแต่ที่ลุกซึ่งตกใจนี่มาจะตกใจกองทัพราปีตกใจด้วยเกรงว่าฐานทั้งปวงนี่ยจะไม่ฟังคําสั่งตงจะขืนออกรบนี่สินี่เกรงว่าตนจะบังคับบัญชาฐานของตอนเองไม่ได้อ่ะ ลกซุ่นเกรงอันนี้ตาเมื่อเจเกรงกองถ้าเป็นเกรงไกลของพระเจ้าเราปี๋ล่ลกซ่นก็ขึ้นมาออกไปดูก็พบฮันตงยืนอยู่ในค่ายบนภูเขาฝ่ายฮันตงแลไปเห็นทหารพระเจ้าเราปี๋ยกมันน้ำมากชั้นกลางน้นเป็นทหารเอ่อถือธงเหลืองวน ก็จินชี้บอกให้ลกสุ่นดูว่านั้นพระเจ้าเราปียกมาเองนะธงหลืองอร่ามเนี่นนะเราจะนิ่งอยู่ใหญ่จะขอออกรบจับเอาตัวพระเจ้าเราปีไม่จงได้ฮานตงนายทหารใหญ่ทหารเก่าด้วยทหารแท้ห่วอย่างนี้ลกสุน่นทหารใหม่นายทัพคนใหม่ไม่มีชื่อเสียงแต่ประการใด ถูก ด, ดาว่าไอ้เด็กวานซืนด้วยเนี่ยรกซึ่งก็ดืว่าเพราะเจ้าเราปีนั้นชนนัีมิชมาในการศึกรบชนะมามากแล้วและทหารก็มีฝีมือท่นจ อ, อไปรบมันนี้ได้จงรักษาอยู่แต่ในค่ายให้มั่งเอถอะทหาราฝ่ายเขายกมารบเหนื่อยแล้วแดดร้อนก็จะต้องหยุดอยู่ริมเขาใต้ร่มไม้เม่เป็นเช่นนั้นเมื่อไหร่ละ เราจริงจะคิดทําการรบเองลกสุนวางแผนอย่างนี้แต่หันตงได้ยินฉะนั้นไม่เห็นด้วยแต่ไม่เห็นด้วยแต่ก็จนใจด้วยกลัวอาญาสิทธิ์อยู่ลกสุนแสดงให้เห็นว่าใช้อาญาสิทธิ์เป็นอยู่ทีเดียวดังนั้นหันตงก็จำต้องนิ่งอยู่ไม่กล้าเหมือนกันและลกสุนีก็รู้อยู่ว่ามันยากต่อการที่จะ ออกคำสั่งบังคับบัญชาเฉยๆแต่อยู่แต่ภายในค่ายอยู่แต่ภายในห้องก็จึงต้องออกไปยืนมากํากับอยู่มีให้ทหานออกสูรก่รบไม่ให้สู้ฝ่ายพระเจ้าเหล่าปีนั้นทหารเมืองกังตังไม่ยกออกมาก็ขับทหารด่ากันเข้ามาร้องด่าถึงหน้าค่ายรถสึ้นไต่ยืนก็สั่งฐานนั้งปวงว่าให้อุตสาห์สะกดใจไว้เถอะสะกดใจไม่ได้ หาอะไรมาอุดหูใช่อย่ไปฟังโรคุ่มให้ทารตนทำอย่างนี้มาพระเจ้าเราปีข้ใาในฐานไปร้องลาถึงหน้า่ายแววทหารเรือนการตังก็ไม่ออกรบคอยกลุ่ม อ, อกขัดใจโกรธนะักมาเลียงก็จึงทูนว่าลรสุ่มคนนี้มีความคิดมาก ก็จำเราให้คนไปร้องดา่าถึงนาคใครก็อย่างนี้ให้ทหารออกรบด้วยเกรดว่ามันจะทําเ้เลนเล่อไว้ใจขอตั้งใจให้จงดีก่อนมาเรียนทูนที่ น, นี้พระเจ้าเราปีก็จริงว่าความคิดมันจะเป็นอะไรมามันเคยแพ้เรามันที่ไม่ออกรบเห็นว่ามัน กลัวเราจริงๆอยู่เพราะแ้าเราเปีนวิถประมาทไปอย่างนี้คืรให้โดยตนไองชายชนะมาโดยตลอดนี่ก็คิดว่าทหารมีกลางตังหวาดกลัวจริงจริงอยู่ริงไม่ออกรกข้างฝ่ายปองสิทิ์มันก็ทูนว่าที่เรายกทัพมาบัดนี้ก็เป็นเทศการริดูร้อนจะสายร่มไม้เราก็มีน้อยจะไปหาน้าเราก็ทางไกล เก่อมีราชการมาจะเอาได้มิทันทีพระเจ้าเราปีได้ฟังก็เห็นชอบด้วยก็จริงว่าถ้าจันนั้นเราจำจะถอยทัพไปตั้งอยู่ริมน้ำที่มีต้นไม้ทาหานที่ได้อาศัย ร, ร่มเงาบังแดดการร้อนพมเพศการริดูร้อนแล้วจะยกเข้ารบมาเรียนก็ถูนว่าที่จะไป ตั้ให้ใกล้น้าและใกล้ร่มไม้ก็ดีอยู่แล้วแต่เกลัวว่าลกสุ่มเห็นว่าเราถอยทับดังนั้นมันจะยกหนักหักใหญ่ออกมาเราจะทําประการใดพระเจ้ารอปีก็จึงว่าถ้าการนั้นเราใช้งอกปั้นคุมฐานดินนี่ปั้งอยู่ปากทางที่มบเจ อ, อกมาตัวขาบเจ้าจะคุมฐานมีฝีมือแปดพันไปซุ่มที่ซอกเขา และเราจรึงถอยทับถ้าลกซุ่นเห็นว่าเราถอยทับและจะยกไล่ออกมาไอยงอปั้นรกแล้วก็ทำเป็นแพ้ถอยหนีได้ทีแล้วขบเจ้าจ อ, อกตัดท้ายรบระนัาจับตัวล็กซุ่นไอ้เด็กเล็กนี่ไปจุงได้โดยเจ้าเราปีวางแผนเช่นนี้เลยรีกว่าตอนนี้ออ ก, ก ร, รบด้วยตัวคนเดียวล่ะที่ปรึกษาสำคัญคือ ท่านหลงของเด้งจู ก, กัดเหลียงก็มิได้มาด้วยอ่ะวางแผนอย่างนี้คุณมางกระติบกระาเห็นชอบด้วยก็สังเสริญความพิเกเจราเปีย่ฝ่ายมาเรนนั่นก็ทูลว่าของเด้งเป็นอาจารย์อยู่รักษามเมืงท่านยกทัพมาข้างนี้เพื่อจะตั้งค่ายครูดูที่ทางทั้งปวงว่าจะต้องด้วย ํารับพิจัยศสงครามหรือไม่ประการใดคมเบ้งไม่ได้มาเห็นด้วยข้าพเจ้าก็จะขอเขียนแผนที่ส่งไปคมเบ้งดูว่าจะผิดชอบประการใดพระเจ้าเราปีก็เห็นชอบด้วยก็จริงว่าท่านก็จงไปเขียนเอาเถอะถ้าคมเบ้งเห็นแล้วจะว่าประการใดอย่างไรท่านก็จงเร่งรีบปรับมาบอกเราโดยเร็ว เขียนแผนที่ตามรับสั่งผิดต่างข่ายอย่างไรประการใดชยัยภูมิเป็นอย่างไรก็เอกไปเขียนแผนที่นั้นตามรับสั่งละข่านพระเจ้าราปีนั้นก็ถอยทับไปกระทาตามที่คิดไว้นั้นฝ่ายฮนตงจิวไทรู้ว่าพระเจ้าราปีถอยทับนี่ ก็จิ้มาบอกกับลูกสื่อแม่ทัพเราว่าพราะเจ้าเราปีตั้งค่ายเข้ามาถึง40่ค่ายแล้วถอยไปข้าพเจ้าคิดถึงว่าเป็นเทศการร้อนเป็นฤดูร้อ น, น, ด, ด, อนดีรายคงจะถอยไปตั้งที่ร่มไม้ใกล้แมนะ่น้ำเราได้ท่วงทีอยู่แล้วจะขอออกไล่รบเอาหนีฮันติงจิ้ท่าคิดจะออกไล่รบเอา ลกซุ่มได้รับรายงานนี้นก็ดีใจขึ้นมาคุมหาออกมาดูเห็นทัพป้าอยู่กองหนึ่นคงคนประมาณหนึ่งนึง น, นี่ก็รไปีวงครับเข้าไว้ก็มีทาหารแก่บ้างมุมบ้างไม่เสมอกันเห้นลกซุ่มในคิดสงสัยนะฮันเตงจีใท้ก็ที่ว่าเห็นหานกองนี้ก็เล็ก รู้แต่แก่มากข้าจะจะขอออกรบไปให้แตกไปในอยู่นี้ลกซุมก็ห้ามทีเดียทัพเนี้ยเขาตั้งไว้ลวงเราจเจ้าทหารซุ่มไว้ในฟอกเขาโน้นเป็นมั่นคงท่านจะออกรบเลยทหารดุบรีลกซุ่มหวอย่างนั้นห้ามอย่างนั้นเหตุผลยังนั้นก็หัวเราะเยาะละแต่ต่างคนต่างก็คิดว่า ลบสุ่งคนนี้แม่ทับหนุนอ่อนแกความคิดมีแต่กลัวฆ่าสึกซจริงๆผู้คนมีความคิดอย่างนี้คีนีฝ่ายงอปั้นทับมานะพอรุง่งเช้าก็ขับทหารก็ม า, ายกเย้ร้องด่านหน้าค่ายฝ่ายชีเส่งแตงหงผู้ไายฐานได้ยินก่อนเน้ความก็ไปบอกลบซุ่งว่าจะขอออกับ ทหารก็จะต้องออกล็อกล็กซึ่งคนมีงล็อกซงกับทหารนะล็อกซึ่งก็จริงว่าท่านเหล่านี้จะทําการสิ่งใดก็แต่รู้แต่จะหักเอาด้วยกําลังไม่กระทําโดยความคิดเลยทัดเขามาวางไว้กองเมียคือกองรวงคือเขาลวนเราแต่ท่านหักไม่รู้ เมื่อพ้นสามวันแล้วเฉ่งความคิดกระเบเจามีโรกซึนกล่าวดังนี้เห้สามวันก่อนชีเซิงก็จริงว่าเมื่อพ้นสามวันเขาไปตั้งค่ายได้แล้วอะ่ะเราจะทำอะไรเอากับเขาได้อะ่ะโกคซึมก็ตอบบัณฑยวิตกเลยขอแต่ให้ถอยไปเถิดแล้วเราจะทําให้ดูชีเซิงเละฐานทั้งตังวอะ่ะก็กลัวนี่ ในอาญาสิของลูกซุ่อยู่ก็ไม่รู้จะว่าประการใดต่างคนต่างก็มองหน้ากันแล้วก็ะโงหม่าวเราะแล้วก็ลาไปครั้พนพลสามวันสามวันผ่านไปแล้วลกซุ่นก็ขีม่ม้ารีถานขึ้นไปยืนบนค่ายบนเขาก็เห็นกองทัพงอปั้นยกถอยไป ในระหว่างภูเขาลุ่ม้วนแต่ทงเหลืองยกออกไปนี่พึ่งเห็นกองทับทงเหลืองว่ากองทับเราปีสี่บรรดาฐานทูแหลนี้ก็ตกใจเลยทีเดียวละ่ะคือถ้าปีกองของหมอปั้นก็จะต้องถล่มลุตเข้าไปถูกกองของเราปีบทขยี้เอาสิฐานทุกพลแหลนก็ตกใจรถฟุ่งก็จริงพูด่า ห้ามพันทั้งตัวงมีให้ออกรบนั้นก็เพราะเหตุช น, นี้แหละเห็นแล้วไม่ใช่หรือให้เขาถอยไปเถอะอีกสิบห้าวันเราจะยกออกไปรบให้แตกเองรกซุ่นวาอย่างนี้ขอเวลาอีกสิบห้าวันมีสามวันดูกองซุ่นราปี